อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะพบกันในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้า ว, วันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์สองพน้านะคะ mm hmm. วันนี้เป็นวันแรม12บสองค่ำเดือนสาปีมะโรงค่ะ mm hmm. ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบน้ำระสการพระอาจารย์ไพบูุ์อภิพุนโนพระอาจารย์ องค์ปาถกประจํารายการธรรมราบรุนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันนะคะแล้วดิฉันก็จะได้ทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะสนทนาทักถามปัญหาธรรมะดีๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันต่อจากเช้าเมื่อวานนี้คือเช้าพันเสาร์นะคะมากราบน้มัสการพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนพร้อมกันก่อนดีกว่านะคะกราบน้มัสการเจ้าขาพระอาจ า, า, ารย์เจ้าขาเทียนพรศาช่ยเจ้าขาเมื่อวานเราได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ การที่เราจะาทำอย่างไรให้จิตของคนไทยเราพูดตรงๆนะเจ้าค่ะว่าขณะนี้ซึ่งกำลังสับสนแล้วก็มีการคิดที่แปลกแยกแตกต่างจากกันโดยแต่และฝ่ายก็ยึดถื อ, อทิฐิหรือว่ามีความเชื่อในสิ่งที่ตนเองเชื่ออยู่นะเจ้าค่ะก็เลยทำให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาในปัจจุบันโยมก็หยิบยกเรื่องนี้มาคราบับ เรียนถามพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกก็เนื่องจากว่าต้องการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นปุถุชนคนธรรมดาทั่วประเทศเนี่ยนะเจ้าว่าตอนนี้ก็เบื่อหน่ายเต็มทีแล้วกับการขัดแย้งต่างๆอยากให้ประเทศไทยเราเนี่ยกลับไปสงบสุขเหมือนเดิมเมื่อวานนี้พระอาจารย์ก็ได้เมตตาสากฉาหรือว่าสนทนาว่า เราต้องไปแก้ที่รากเงาของเราก็คือแรกเงาก็คือที่จิตของเรานั่นเองให้ละจากกามละจากพยาบาทแล้วก็ละจากการเบียดเบียนคือไม่เบียดเบียนนะเจ <c oughs> ้าคะ <c oughs> วันนี้ก็กราบขอนาัสการ แล้วก็นิมนต์พระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนเจ้าค่ะได้สาขัช้าต่อว่าเมื่อวานโยมลิงก์หรือว่าเชื่อมโยงไว้หน่อยหนึ่งแล้วว่าสําหรับพี่น้องประชาชนคนธรรมดาทั่วไปใ<ม>นเจ้าค่ะที่ฟังรายการอยู่เนี่ยก็เป็นชาวบ้านตาดำๆเรานี่แหละอาจจะอยู่ในส่วนไหนก็ได้สีไหนก็ได้เนี่ย<ม>แต่ก็เบื่อหน่ายเต็มทีแล้วเพราะว่าชีวิตก็มีปัญหาลุ้มล้าเข้ามามากมายอะไร<แ>ต่างๆนะเจ้าค่ะทํายังไงจะช่วยกันแก้จากวงของตัวเราหรือว่าที่เป็นอ ประชาชนชาวบ้านเราตายดำๆธรรมดานี่เจ้าค่ะนิ่มนเจ้าค่ะนี่เป็นประเด็นที่ดีมากคนหนึนใจคือบางคนจะไม่คิดว่าโอ้เราต้องการผู้นำนะที่เป็นแบบนั้งแบบนี้มาบ้านเมืองเราไม่มีแล้วไม่มีคนนำได้เจ้าค่ะแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเราไม่ได้ว่าพูดถึงบุคคลในบุคคลหนึ่งเอาตัวเราเองคนรอบข้างคุณขัดแย้งไหมคุณในครอบครัวบางคนนะ่ะพ่อสีหนึ่งแม่สีหนึ่ ง, งเอารุกันบอกอีกสีหนึ่ ง, งแล้นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันทุกวันเห็นหน้ากันทุกวันโอ้โหครอบครัวไม่มีความสุขเลยเจ้าค่ะ เราไม่ต้องพูดถึงว่ า, าต้องให้มีผูน้นํามาในประเทศม า, มาทําการเมืองอะไรให้ดีแล้วชีวิตฉันจะมีความสุขเอาตัวเราตอนนีนะ้ตัวปัจจุบันนี้เรามีความสุขได้ด้วยการที่แก้ว่าเในครอบครัวคุณมีความขัดแย้งไหมถ้าครอบครัวคุณมีความขัดแย้งกันนะเราแก้ก่อนเราแก้ที่แต่ปบในระดับที่เราเราดูได้เอาแค่ว่าคนรอบตัวเราในสังคมเราหรือที่ทํางานของเราอย่างเงี้ยถ้าผมว่าเราเราละการไปบาดเปียบียนอันดับแรกที่ ต้องย้ำกันอีกทีหนึ่งคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในจิตของเราจุกค่ะความขัดเคืองเอาใหม่พูดผิดความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราถ้าเราเห็นความขัดแย้งใช่ไหมเราไม่พอใจคนนี้กลุ่มนี้กลุ่มนั้นคุณมีความขัดเคืองนะจุกค่ะคุณละความขัดเคืองนี้ซะคุณละความขัดเคืองนี้ซะเพราะอะไรเพราะถ้าคุณไม่ละความขัดเคืองนี้ความเคืองนี้จะกินจิตตัวเราเองยวทําให้เรามีความปุ่นวายกับคนอื่นมีความไปบาามีความคิดร้ายคิดอาฆาตคุณก็เป็นหนึ่งในพวกนั้นละ เพราะฉะนั้นตัวเราละละเสร็จแล้วเอ้ในครอบครัวเรามีสามสี่คนเนี่ยคนไหนจะพูดง่ายที่สุดแม่หรือพ่ออย่างงี้นะหรือว่าเราเป็นพ่อเนี่ยเราเห็นแล้วเฮ้ยครอบครัวเรามีปัญหาแล้วเองทำยไงดีเอาเราจะพูดกับใครดีเราพูดกับเมียหรือพูดกับลูกเจ้าค่ะแต่ตัวเราต้องไม่มีก่อนเจ้าค่าะเพราะฉะนั้นตัวเราจะต้องมีคลายความขัดเคืองในจิตของเราให้ได้ส ก, ก่อนแ<น>ะความขั ด, ขด<ม>เคืองตรงเนี้ย ต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่าเวลาที่เราเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดข่าวเทวรัศน์วิทยาอะไรต่างๆมีความขัดเคืองไหมเจ้าค่ะสมมติไอ้ ก, กลุ่มนี้มันพูดมาอย่างนี้เอาแค่ว่าไอ้ความคิดว่าไอ้ ก, กลุ่มนี้คุณมีความเคืงเลืองเลือดอยู่ในจิตแล้วเจ้าค่ะเพราะคุณมีความกัดเคืองอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยพอไอ้กลุ่มนี้คำว่าไอ้กลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณขัดเคืองนาทีเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคลายความกัดเคืองทุกระดับเลยนะในจิตของเราเราไม่ได้พูดถึงว่าคุณจะต้องไปนั่งสมาธิค่งงงร่ะเอาแค่ว่า อย่าให้มีความขัดเกลื่อนความขัดเกือนมันเรารู้อยู่ในตัวแล้วมันร้อนอยู่ในใจมันร่มร้อนอยู่ในใจมันคุณนั่งอยู่ในห้องแอร์คุ ณ, ค ณ, คณรู้สึกว่าเย็นคุณนั่งอยู่ข้างนอกคุณรูณ้สึกว่าร้อนเรารู้สึกได้ไเพียงแต่ว่าเราบางทีเนี่ยมันเพลินไหลไปตามข่าวหนังสือพิมพ์ไหลไปตามคนก็โทรศัพท์มาแจ้งข่าวไหลไปตามข้อมูลมาทาง SMS เอ็มไหลไปตามข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเราถูกดึงมากกาเกลื่อนเกลื่อนใจหรือตามยูทชุมชนนะเจ้าค่ะเราถูกดึงพวกนี้มากทําให้อะไร ความกระคือมันค้างตึงอยู่ในใจนะมันไม่เอาทางตาหูจมูกลิ้นมันก็ทางใจไม่เอาทางวิทยุชุมชนไม่เอาทาง s m s เอ็มีเมลแล้วก็แะไงตางมันเอาหมดแล้วจะทำไงให้ความกดเคือคลายออกไปจากใจของเราเราต้องระวังตรงนี้ให้มากคือบางทีมันมันทําได้ระดับหนึ่งนะก็จะได้ครั้งสองครั้งได้เดี๋ยวมันมาอีกมันมาอีกเราก็แพ้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเราควรจะต้องอแสวงหาสิ่งที่ค่อยมาต้าน อย่สมมติเราชั ก, กะเยาะกันอยู่่คุณเดินใจใคือทั้างเราเริ่มเสียเปลวแล้วไห ม, มเรับเกณฑคนมาอีกเกณฑคนมาอีกดึงให้มันใ ห, ให้ได้แล้วเราก็จะต้องมีความดีขึ้นในจิตคทํายังไงให้จิตเรามีความดีสูงขึ้นรังธรรมะอยู่เรื่อยๆอย่างรายการธรรมะอัรูปอย่างเงี้ยเมเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่ฟังอยู่มาเรื่อยๆพอมาระยะหนึ่งไอ้ความถี่ในการฟังเริ่มห่างออกสมัยบางทีฟังทุกวันในสัปดาห์หนึ่งเงี้ยหรือฟังแค่ห้าวันหรือไปแค่สามวัน คงเป็นเพราะว่าเราตื่นสายบ้างได้ฟังข่าวนี้ไปทะเลาะกันคืนนี้ไปประท้วงเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้เช้าตื่นไม่ทันไม่ได้ฟังแล้วเนี้ย <c oughs> คุณเริ่มล้าหลังแล้วนะอื <c oughs> คุณ <ใช S 1> เริ่มตกลงไปตกลงไป <c oughs> เพรา ะ, ะนั้นเราเอ้ยเราทําไม่ถูกทํำไงเราก็มาหันมาฟังธรรมะนะการฟังธรรมะเนี่ยเป็นการทําให้จิตของเราเนี่ยสามารถละวางสิ่งที่ไม่ดีได้นะที่าพุทธเจ้าบอก <c oughs> แต่การฟังธรรม ะ, ะทําให้เป็นผู้ที่เเรียกว่าละรมอัน ที่เขาเรียกว่าเอาวหานรยธรรมคือกิเลสเครื่องกั้นจิตได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเพิ่มปริมาณในการที่เราฟังธรรมะขึ้นจากรายการนี้รายการนั้นหรือว่าเพิ่มจํานวนวันเนี่ยเออคือความขัดเคืองในจริงเราจะเริ่มลดลงไปนี่คือกรณีของคนที่ใช้ลิ่มสลักอันเล็กตอกลิ่มสลักอันใหญ่ให้ออกไปได้ ค, คือใช้น้ํา ความเย็นของธรรมะเนี่ยไล่ความร้อนที่อยู่ในฉีงของเราออกไปถ้าเปรียบเทียบนะชัวร์ค่ะถ้าอุปมาอุปไมยของพุทิชาติก็คือเอาลิ่มสลักอันเล็กนะตอกลิ่มสลักอันใหญ่ให้ออกไปได้คือเราอาศัยเครื่องช่วยชัวค่ะทีนี้ถ้าเราจะอาศัยตัวเองเราก็ทําได้เหมือนกันนะดยการบีบสิวออกด้วยการล้างหน้าให้สะอาดอย่างนี้ก็คือเปรียบกับการที่เราเห็นอะไรที่ไม่ดีในฉีงของเราเราต้องคอยสังเกตแล้วเราก็ล้างออกไปเช็ดออกไปล่าออกไปได้เหมือนกันชัวค่ะอันนี้ต้องคอยสังเกตจิตตัวเองมากมนะคุณเดินใจ คือถ้า <S <S <ม>เราเห็นว่ามันมีความขัดเคืองเนี่ยนั่นคือคุณก็เห็นจิตเหมือนกันนะอืมะเพราะว่าสิ่งที่จะไปรับรู้ความขัดเคืองเนี่ยก็คือจิตนั่นเองค่แต่นี้พอเราเห็นแล้วพี่ทําไมมันมันไม่เห็นนะคืออย่างสมมติตาเนี่ยไม่เห็นลูกตาน ะ, ะตาเนี่ยไม่เห็นหน้ามอ ง, มองจมกูกมองปากนี่มองไม่เห็นต้องไปส<ช>่องกระจกแล้วพระเจ้าจึงให้เป็นผู้ที่ส่องกระจก ค, คือพิจารณาตัวเองอยู่เหนื่อเนือเวลาผ่านไปผ่านไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่นะพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไม่ได้คุณแก่มากี่ปีแล้วจากเหตุการณ์มันนั้นมาตรงนี้ก็ห้าหปีแล้วโว้ยยังไม่ลืมอีกเหรอมันไม่ได้เรื่องแล้วนะอทํางานของตัวเองต่อไปเถอะอย่างเงี้นะจ้ค่ะบางคนทรัพย์สินอะไรต่างเงินทองรถหายไปโอมันมีแต่ความเสี่ยงความไม่ดีแล้วเราก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่นานนะคุณเตือนใจเจ้าค่ะแค่ไม่เกินร้อยปีจากนี้ไปไม่เกินร้อยปีจริงๆแต่ท่านผู้ฟังอายุอ่อนที่สุดที่จะฟังรายการนี้อาจจะสิบสอ แต่คุณฟังไปอีกร้อยปีคุณก็อายุร้อยสิบสอไม่เกินหรอกเจค่ะอะคุณอายุไม่เกินร้อยปีจากนี้แล้วยังไงอ่ะมันสั้นมากมือเินใจเราไม่ต้องพูดถึงร้อยปีหรอกเอาแค่ว่าเรามีหลานเรามีเหรนอายุสมมุติเราอายุเจ็สิบ้าอย่างเงี้ยเหลนเราเองอย่างเงี้ยเพิ่งเกิดมาวันนี้เนี่ยเอ๊ะมันอาจจะอีกห้าปีสิบปีมันจําชื่อเราไม่ได้นะอเจ้วมีสถิติที่นักอ่าสังคมภาษาชาวอังกฤษเนี่ยเขาทําวิจัยเขาบอกว่าเจ็บห้าเตของ ชาวอังกฤษเนี่ยไม่รู้ชื่อย you know, e ่าทวดของตัวเองเข้าใจไหมคือจ re really cool yeah. yep. ําไม่ได้แล้วาจะไม่ได้อย่าทวดเราชื่ออะไรคือพ่อแม่เรารู้เจ้าค่ะพ่อแม่ของพ่อแม่เนี่ยเอเราก็พอเรารู้เจ้าค่ะแต่ว่าพ่อแม่ของปู่ย่าเราเนี่ยเราไม่รู้ละอืมเจ้าค่ะว่าท่านชื่ออะไรอืมเจ้าค่ะคืออาตมาที่ถ้าไม่จดไว้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้าค่ะคือหลายๆคนจะนึกไม่ออกเลยจาไม่ได้เจ้าค่ะซึ่งชื่อเราเองกําลังจะประเด็นที่กำลังจะพูดถึงคือชื่อเราเองจะถูกลืมโดยเลนของเรานะ เลรนเราเองจะลืมชื่อเราเองเอ้เพราะฉะนั้นเหรนเราเองลืมชื่อเราเองแล้วเราจะทําอะไรวะวันนี้เพื่อที่อะไรคือไม่ได้ต้องการให้เขาจาชื่อเราได้หรอกนะแต่ว่าเอ๊ะทาไงให้ถึงแม้ชื่อเราจะลบลืนไปเดีแต่ความดีวะเรายังอยู่เใช่ไหมอย่างคนที่ทําประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองอย่างเงี้ยเราไม่ใช่เป็นเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยแต่แต่เรายังรู้จักชื่อของเขาอย่างเช่นรัชกาลที่ห้าอย่างเช่นพระนารายมหาราชหรือว่า อะปรยาอะไรต่างๆพวกนี้นะที่เขามีความดีความงามในประเทศชาติเราไม่รู้จักไม่ได้เป็นลูกหลานขอยงเขาเราก็ยังรู้จักชื่อเขาแต่เช่นเะดียวกันเราทําความดีอะไรตอนนี้ความดีเนี่ยไม่ใช่ว่าถึงขนาดว่าคุณจะต้องสร้างสิ่งกอ่อสร้างใหญ่โตนะทําประโยชน์มหาศาลใช้เงินเป็นร้อยเป็นล้านเอาแค่ว่าคุณอยู่ในสินอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญา แ, แค่นี้คุณมีความดีมหาศาลแล้วค่ะอืคุณมีความดีขนาดที่เรียกว่าพอจะเป็นร่มโพร่มชาให้ลูกหลานได้เป็น ใครมาเข้าใกล้เราก็ยินใจแล้ว <นะ S 1> คนคอยู่ในครอบครัวกินข้าวในโต๊ะอาหารกันก็ไม่ทะเลาะกันพูดแต่เรื่องดีๆว่า ม, มีแต่ความสุขนะคุณมีชีวิตอยู่ไม่ถึง100ปีจากนี้ไปถ้าคุณยังมุ่งพุ่งแล้วก็แบ่งแยกคิดนั่นคิดนี่เบียดเบียนมุ่งร้ายถามดูอีกสมมติจิสปีต่อไปจากนี้คุณก็ยังมีความทุกข์อยู่นะโจคาเอาแล้วคุณจะไปทนทําไมสิปีมีความทุกข์อยู่อะแค่คุณคลายความขัดเคืองขึ้นในจิตของเราวินาทีนี้เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้นะในจิตของเราสบายแล้วนะแต่คุณข้ก็อาจจะยังไม่รู้ว่าฉันคลายความขัดเกลือนแล้วก็อาจจะพูดทิ้มๆแต็แมแเราอยู่บ้าง <c oughs> ไ, มไม่เปไน็นไรเราคลายความขัดเกลือนขึ้นไปเรื่อยๆเขาจะรู้สึกถึงกระแสนี้แล้วเขาก็จะคลายออกไปคนนี้ก็คลายไปคนนี้ก็คลายไปครอบครัวเราก็จะเป็นสุขละ <c oughs> ขครอบครัวเราเป็นสุขกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเ <c oughs> พื่อนฟูงอะไรต่างก็ขยายวงไปเรื่อยๆขยายวงไปเรื่อยๆนะมันจะแก้ไขไปได้โดยที่ไม่จาเป็นจะต้องมีผู้ดาผู้ใดคนหนึ่งก็โดดก็มาเราเป็นผู้นําเองเลยเรานําในระดับที่เรานําได้นําที่ไหนจิตของเรา จิตของเอเคยใครนำอ่ะหรือว่าเธอเป็นคนจูงจ ม, มูกให้คนจูงจ ม, มูกไปอยู่ได้เรื่อยอ่ะเป็นวัวเป็นควายให้เขาดึงไปลากไปอย่างเงี้ยเราเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไง ค, คาวายเนี่ยบัวควายที่วัดป่าดอนใหโศกอ่าหอายถึงที่หมู่บ้านดอนใหโศกนะชคคาวบ้านนี่ก็ยังเลี้ยงหัวเลี้ยงควายอยู่อพอควายมันเกิดมาใหม่ๆคุณเตือนใจมันยังตามแม่มันอยู่ใช่ไหมคคแต่พอมันเริ่มเริ่มโตขึ้นเนี่ยมันไม่ตามแม่มแล้วทาไงเขาก็จะเอาเหล็กเนี่ยทิ่มไปในจมูกมันอืเพื่อเหมือนกับที่เขา S <S สนทภ า, ทภาอ่าผู้หญิงสมัยที่บางคนก็ทำเออเป็นเป็นลักษณะว่าดึงมันไวเจ้าค่ะวายถูกจูงจมูกงไงอย่างเงี้ยแล้วทำไมมันต้องไปเพราะมันเจ็บค่ะเปนจุดเล็กๆที่มันเจ็บแต่เพราะฉะนั้นคุณถูกดึงหรือเปล่า้ะถามว่าคุณตกอยู่ในอำนาจของจิตตัวเองเหรออ่าทำายังไงจะให้จิตอยู่ในอำนาจของเราได้นะให้เราแค่เรามามีสติอยู่ในตาแหน่งเนี้ย ตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงลมหายใจนี่นะคือเราจูงจมูกเราเองเราไม่ได้ให้ใครจูงจมูกเราเราจูงจมูกเราเองให้เรามีสติอยู่ในกายนะคือที่เราเคยพูดกันไปในรายการนะว่ามีสติอยู่ในลมหายใจมีสีลมหายใจใช่ไหมลมหายใจนี่คือตรงไหนก็ตำแหน่งที่เรารับรู้กลิ่นอยู่ในโพรงจมูกใช่ไหมคือเหมือนวัวควายก็ถูกสนทนายนะแต่แทนที่เราจะเอาตรงเนี้ให้คนอื่นลากเราไปเราเอาตรงเนี้มาอยู่ในกายของเราเองเราอายุของเราเองเราไม่หลายไปไหนเราจะสบายอยู่ได้ ชีวิตของเราที่เหลืออยู่ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเป็นอิสระทางความคิดได้บ้างนะไม่ใช่ใชตกอยู่ในความคิดของคนอื่นก็เอาความคิดนี่มาใส่หูคุณทางวิทยุบ้างใส่หูคุณทาง SMS เมสอีเมลเฟสบุ๊กแรงส่งมาเราก็ไหลไปตามเลยคุณตกเป็นท่าของเขาคุณเป็นมวลเป็นก้านของเขาจวงแต่ถ้าเราเป็นเป็นนําชีวิตของเราเองนะในทางกลับกันเรานําชีวิตของเราเองด้วยการที่เรามีสีในลมหายใจนะดึงเราก็ดึงของเราเองนี่แหละ ค, คนรับข้างเราเราคลายความกระตืรือง้นในสิ่งของเราใช่ไหมอย่างน้อยเรามีความสุขในวินาทีนั้นเราจะขยายวงกว้างออกไปได้เรื่อยๆยอก็คือเราต้องเริ่มที่ จิตของเราก่อนนะคะที่จะต้องละวางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพยาบาทหรือว่าการเบียดเบียนหรือความที่คิดไม่ดีเอาขุศลต่อคนอื่นทํา่ยที่จิตของเราก่อนจากนั้นก็เมื่อระวางได้จริงๆอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจาะ้าค่ะก็คือไม่ว่าใครก็จะมาพูดทิ่มแทงเราอะไรยังไงเนี่ยเราก็คล า, ายความขัดเครืองได้คือไม่ได้ขัดเคืองจริงๆจากนั้นก็เริ่มที่จะชักชวนคนที่อยู่รอบตัวเราเจ้าค่ะก็คือในครอบครัวก็อาจจะเป็นอย่างที่พระอาจารย์ ว่านะเจ้าค่ะว่าแบ่งสีกันล่ะถ้าถ้าบอกในครอบครัวอย่าพูดเรื่องสีเลยนะไม่งั้นทะเลาะกันทุกทีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราก็เริ่มจะกล่อมกล้าคนที่ใกล้ๆที่ว่าพูดกันง่ายๆแล้วก็พอครอบครัวเราเป็นสุขแล้วเนี่ยโยมก็คิดว่าก็น่าจะขยายไปถึงบรรดาเพื่อนบ้านอะไรในหมู่บ้านเราบ้างอะไรต่างๆก็ก็น่าจะแบบเผยหมายถึงว่าเอา เผยแผ่ความสุขอันนี้หรือว่าแนะนําให้แต่ละคนเนี่ยวางจิตได้หมดเนี่ย ก, ก็สังคมก็จะสงบสุก ข, ขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็ทุกคนทําได้นะเจ้าค่ะทีนี้เวลากระบวนการตรงเนี้เป็นพุทธศาสนะที่พระพุทธเจ้าเกิดพูดกับภิกษุที่เขาแบ่งแยกกันเป็นกลุ่มคือเขาทิมแทงกันด้วยวาจาหอกคือปากคือออกปากทิมแทงกันเนี่ยมันไก่มันจิกๆิกกันเนี่ยนะเจ้าค่ะดูแล้วไม่งามมากๆเลย ประชาชก็เลยพูดถึงว่าเออให้ไกลความขัดเคืองนะเราไปชักชวนคนที่เขาแตกกันอยู่เนี่ยให้มีความที่ว่าอย่าแตกกันเจ้าค่ะกระบวนการตรงนี้มันต้องใช้เวลานะคุณเตยใจค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าอย่างเราพูดกันในรายการอย่างเงี้ยมันพูดกันได้คุณลองเอาไปทําดูเฮ้ยมันได้ผลนะสวันสีวันทันไปเออดีมกันนะแต่พอเริ่มมาที่ห้าเริ่มมาที่ถัดไปไอ้ทำไมมันกลับไปอีกอจ้ค่ะกลับมาอีกตรงนี้เป็นเพราะว่าสื่อต่างๆข้างนอกมันยังไม่เปลี่ยน มันจะมีรายการวิทยุที่ บ, า บ, า บ, าบา้าๆบอๆมีรายการที่มันทําให้เราขัดเคืองแล้วก็มีข้อมูลต่างๆมาทางอีเมลอินเทอร์เน็ตหนังสือพิมพ์ไปหมดสมไฟเราอยู่ตลอดเวลานะตรงนี้เราใช้ยังไงคือคือเราต้องหลีกออกจากพวกนั้นด้วย ค, คือสมมติคุณฟังรายการตรงเนี้คุณอาจจะมีกําลังใจในการปฏิบัติกําลังใจเนี้ยอาตมาจะบอกให้เลยอยู่ได้3าสวัน5วันสมมุติแต่การครึ่งชั่วโมงเนี่ยอฟังไปเนี่ยฟังวันนี้ในพรุ่งนี้ยังจาได้วันมะรืนเริ่มถือจาก อาทิตนาไม่เหลือเลยอนะืเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มีผษสสะ ต, ตรงนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคุณไม่ได้กินข้าวคนไม่กินข้าวมันก็ไม่มีแรงตอนนี้เรากำลังให้อาหารทางจิตของคุณนะท่านผู้ฟังฟังให้ดีสิ่งข้อมูลที่คุณฟังฟังไปเนี่ยไอย้จิตเราเริ่มเริ่ม ม, ม, มีกําลังใจเริ่มรู้สึกว่าเออ ม, มีทางแก้ปัญหาได้นะอันนี้น่าจะเป็นทางออกเออคืออาหารจิตเรามีอาหารนะจิตเรามีอาหารเครื่องมือในการที่จะฟังไปทีนี้เราฟังไปฟังไปอาหารก็กําลังก็เริ่มหมดนะ เริหมดกองทัพต้นเรือนหรือทองเจ้าค่ะแตทองที่นี้ก็ค yeah, ือก um ําล um ังที่มาจากธรรมะเจ้าค่ะทีนี้พอไอ้กำลังมันเริ่มหมดเนี่ยแล้วถ้าเรามีอาหารที่ไม่ดีไม่ดีนะนะเช่นอาหารจากภายนอกสื่อที่ยุยงกันข้อมูลที่ไม่ถูกต้องการพูดใส่ไฟคุณก็กินอาหารที่ไม่ดีมันก็จะไปไม่ได้อ่อเจ้าค่ะมันก็จะย้อนกลับไปที่เดิมอีกเจ้าค่ะกระบวนการเดิมอีกเจ้าค่ะเพ้นถ้าเราเราเราทำเราทำอยู่เรื่อยเรื่อยเราทำซ้าๆเราทําย้ํำๆ เราจะไปได้ก็ตรงนี้ต้องอาศัยความมดทนนะ่ค่ะความุดทนนี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้อย่างมากทีเดีย ว, วยค่ะอย่างเมื่อวานพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนได้เมตตาที่จะสกักษาหรือพูดคุยมาถึงประเด็นที่ว่าพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่า จิตของมนุษย์เรานั้นเนี่ยเหมือนกับมียางอยู่นะเจ้าค่ะ <Okay. S 2> ดังนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเราไปเข้าใกล้อะไระในสิ่งที่ไม่ดีหรือภาษาที่ไม่ดีเนี่ย ม, มันก็จะโน้มไปในทางนั้ น, นดังนั้ น, นอย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาแ น, น, ามมนะนํำมาสักครู่นี้โยมคิดว่าถ้าเผื่อโยมเป็น ะระดับชาวบ้านเรานี่แหละซึ่งก็ทำรรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในครอบครัวเราแล้วก็อาจจะเคยไปร่วมกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มาบ้างแล้วก็ยังอาจจะติดอกติดใจยังฟังวิทยุหรือว่ายังแบบรับสื่อจากจากกลุ่มนั้นที่ตัวเองเชื่อมั่นหรือมีทิฏฐิอยู่เนี่ยยอมคิดว่าสิ่งที่ พระอาจารย์แนะนำก็คือเริ่มที่ตัวเองแล้วก็ทำจิตให้ละสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้แล้วหลังจากนั้นก็คือนาจิตของเราเนี่ยมาให้ได้อาหารในสิ่งที่ดีคืออยู่กับธรรมะฟังรายการดีๆอันไหนที่เขามาคอยุโยงเราให้เป็นเดือดเป็นร้อนหรือว่าเอาไฟมาสุมอยู่ในอกตลอดเวลาก็เลิกฟังซะคือถอยห่างออกมาซะอย่างนี้ก็จะดีกว่าใช่ไหมเจ้าคะ่ะถูกต้องเจ้าคะ่นะแล้วพอถอยห่างมาแล้วเนี่ย สิ่งที่คุณจะรู้สึกได้ในทันทีเลยนะก็คือความที่เราเฮ้ยเราไม่ได้ฟังสิ่งที่มันคือสิ่งที่ไม่ดีคุณตื่นใจจะเป็นวาจาที่ทิ่มแทงกันวาจาที่ส่อเสียนค่ะมันเหมือนของเหม็นเมมันมันฟังแล้วมันก็เหม็นเมนแต่เพราะเราไม่ฟังปุ๊บเราเฮ้ยสบายใจดีไม่มีเรื่องอะไรที่มันฟังแล้วมันขัดเคืองหูนะเจ้าค่ะเออมันจะดีกว่าน่ะอืมเจ้าค่ะเหมือนอย่างบางทีเจ้าค่ะโยมในฐานะที่เป็นเหมือนกับเอบรรดาคารวะทั่วไปเนี่ยบางที ข่าวหนังสือพิมพ์ข่าววิทยุอะไรโทรทัศน์อะไรมันไปในทางแรงจนกระทั่งหลายคนและแม้แต่ตัวโยมเองบางครั้งนี่จะบอกเลยบอกไม่อยากรับเลยไม่อยากดูข่าวไม่อ่านข่าวไม่อะไรเลยรู้สึกจิต จ, จะสงบดีนะใ ช, ใชคะคะอันนี้เป็นคุณสมบัติของคนที่มีความกลัวและความละอายต่อบาปุค่ะคือไม่ใช่ว่าเรา เรากลัวเฮ้ยคุณจะอหยานี่มาเข้าใกล้คืออุจจาระคุณเดินใจเพราะเขามาใกล้ๆเราอ่ะอี่เราไม่อยากแตะไม่ต้องกวนแต่เลยมองก็ไม่อยากมองเจ้าค่ะเอาล่บเราไปไกลๆไม่ใช่ว่าเราเรากลัวเขานะแต่เรารังเกียจสิ่งที่ไม่ดีเข้าใจไหมคนที่กลัวต่อบาปมีเฮรีออตตาป่าเนี่ยชีวิตคุณจะดีขึ้นมาได้อถ้าผมว่าเขาถามว่าเอ้ยทําไมเธอไม่มีความกล้าเลยต้องกล้าสิเป็นผู้กล้าแสดงออกเฮ้ย คุณกินอุจาระคุณไปกินให้คหนอื่นเขาดูาอ่ะอึกออกปะเราไปทํากิจปัสวะอุจจาระเนี่ยเรานิ่มเข้าไปห้องทําเงียบๆคนเดียว <c oughs> ไม่ใช่ไปทํากลางถนนให้คหนอื่นดูดูนี่ดูฉันอึอยู่ <c oughs> ฉันเอาขี้มากินจะเห็นไหมน่ะเจ <c oughs> <c oughs> คนไม่ทํากันหรอกแต่ใ <c oughs> <c oughs> จมันโง่งจริงๆ <c oughs> แต่เพราะนั้นเราจะทํำไงเราเป็นคนฉลาดแล้วก็ปล่ยวางซะเตัวซีนี้ไม่ดีเราก็ไม่ทําใช่ไหมเจ้าค่ะเห็นที่คุณดึงใจพูดอ่ะนะแล้วเราเราพอเราทำอย่างนี้ไปเนี่ยมันมันเป็นการดึงกันของสองฝ่าย คือเราไม่ได้ดึงกับใครด้วยนะคือในกรณีเนี้ยเราอยู่ในกุศลธรรม <S <S <S <S เราตดให้เป็นกุศลธรรม เ, เรามีอายุอยู่ไม่นานกนเตืน่นใจทำให้เราไปหาสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีมาฟังเอา ของเหม็นๆมาในจิตของเราเขาก็หาสิ่งที่มันสบายใจทำมันอายุเราไม่นานจริงๆใช่เจ้าค่ะชีวิตคนสั้นแล้วก็เราไม่รู้ว่าถ้าเป็นคําที่ชาวบ้านเราพูดก็คือไตวันไตพรุ่งก็ไม่รู้รนะเจ้าค่ะ<ช>ดังนั้นเนี่ยเรื่องอไรเราจะเอาชีวิตของเราหรือว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยต้องมาผูกพันติดอยู่กับ ทิฏฐิหรือความเชื่ออะไรที่มีคนเขามากรอกหูเรานะเจ้าคะทั้งทั้งที่ในเวลาปกตินั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่ามาช่วยเหลืออะไรครอบครัวเราเลยเราก็จะต้องแบบว่าทำมาหากินของเราไปตา ม, มธรรมดานี่แหละแต่ทําไมเราจะต้องไปเป็นเหมือนกับให้เข้ามาสนทนายเราดึงเราไปตรงนูตง้ตรงนี้ซุ้งเรา เราอยู่อย่างมีความสุขในครอบครัวเราในสังคมเราในหมู่บ้านเราน่าจะดีกว่านะเจ้าคะใช่แล้นี่คือของบุคคลทั่วๆไปนะคุณตนใจเจ้าค่ะอย่างชาวบ้านทั่วๆไปอะไรต่างๆเงี้ยคือคุณไอกระบวนการตรงนี้ไม่ใช่ว่าแค่ชาวบ้านเราทำได้คือผู้นําก็ทําได้แลาตำแหไหนก็ทําได้สมมติว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะเราก็ทําได้เราอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงในมหาวิทยาลัยเราก็ทํากระบวนการนี้ได้เจ้าค่ะเราเป็นหัวหน้างาน และเป็นหน้าแนกเราก็ทํากระบวนการนี้ได้เราเป็นรัฐมนตรีที่ปดีเราก็ทํากระบวนการนี้ได้คือสังคมไหนที่เราจะโน้มน้าวไปได้เราเรามีผดษะอยู่ใครเราทําได้หมดเจ้าค่ะแล้วถ้าผมว่ามีผู้นําสักคนในคนหนึ่งที่เขาเห็นอย่างนี้เขาก็จะทําได้ในวงกว้างของเขาเจ้าค่ะเราก็ทําได้ในวงที่เราทําแต่ไม่ว่าจะระดับไหนก็แล้วแต่ทำได้หมดเจ้าค่ะแล้วถ้าหากว่าเราไปชักชวนใครหรือว่ากลุ่มไหนถ้าเกิดเขาไม่เห็นด้วยเข้ามา ต่อว่าอะไรเราเราก็วางจิตซะคือแบบว่าต้องไม่ให้มีขัดเคืองนะเจ้าคะแสดงว่าคนนี้เรายังไม่ถึงคิวที่จะพูดครับเราก็ไปพูดกับคนที่พูดง่ายที่สุดก่อนที่เรารู้จักพูดกับคนที่พูดง่ายที่สุดก่อนคืออย่าคนที่มันขัดแย้งกันอยู่เนี่ยมันแรงนะคุณเตือนใจอยคุณจะน้ำไปลาดดับเลยโอยมันตึไปไม่ได้เราก็พูดคนที่ง่ายที่สุดก่อนเพราะว่าเราเสี่ยงตัวเราด้วยพอเราเข้าไปใกล้อย่างนั้นเนี่ย บางทีมันทําให้เราขัดเคืองเราละไม่ได้เราสวาเลยนะเรจาจะกลายเป็นพวกใดพวกหนึ่งในพวกนี้อีกเอางี้เราไปคุยกับคนที่คุยง่ายที่สุดก่อนเจ้ค่ะถ้าเราถึงดินแดนที่เราคุยไม่ได้แล้วนั่นคือเราจบที่เขตนั้นอืมเจ้าค่ะเราจะจบที่เขีนนั้นคือคื อ, คอเราจะเลยเขีนนี้ไปเราจะเกิดเกิด ค, ค, ความขัดเคืองขึ้นนะเพราะถ้าเราไปคุยเขาเขาจะด่าเราจะให้เกิดความขัดเคืองปุ๊บด่าด้วยความที่เจ็บด้วยเราละไม่ได้ดังั้นเราจุดแค่นี้เราถอยเลยนะเจ้าค่ะเขตเราจะอยู่แค่นี้เจ้าค่ะแสดงว่าคุณคุมได้แค่นี้เจ้าค่ะคุณคุมได้แค่นี้ อย่างนี้เป็นต้นนะคือขอบเคของเราจะถูกาวาดด้วยเส้นของความขัดเกลื่อนถ้าจุดเลยจุดตรงนี้ไปคุณละไม่ได้แล้วแค่นั้นเจ้าค่ะอ่าเพราะถ้าคุณอยู่ในครอบครัวคุณพอจะพูดกับลูกได้พูดกับผัวได้พูดกับเมียได้คุณพูดแค่นั้นอ่ะพูดกับคนข้างบ้านเฮ้ยมันพูดไม่ได้อะบ้านนี้พูดได้พูดกับบ้านนี้บ้า น, นี้พูดไม่ไพอละเจ้าค่ะอ่าอย่างเงี้ยก็ เราก็ <S <s เราก็ไม่ไข่เครืองเองจิตเราก็เป็นสุขอยู่ได้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้โยมอยากขออนุญาตที่จะกราบเรียนถามพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนเจ้าค่ะถึงเขาเรียกว่าอันิส้สงของการที่คนเราเนีเจ้าค่ะไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนก็ตามโยมคิดว่าเรื่องของการทํำจิตของเราให้อยู่ในแดนบวกก็คือหรือว่าคิดแต่ในทางที่ดีทําในสิ่งที่ดีแล้วก็พูดในสิ่งที่ดีนั้นเนี่ย เจ้าค่ะก็จะทําให้เกิดอนิสง์ในชีวิตของเราอยากให้อ่าขอความเมตตาพระอาจารย์ภั ย, ยบุญอภิปุนโนได้พูดถึงอนิสง์ตรงเนี้เจ้าค่ะว่าว่าเรามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างต่อตัวเราต่อครอบครัวต่อประเทศชาติเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นลําดับอย่างนี้ก็เตือนใจว่าอ่าสิ่งที่เราทำเนี่ยที่เราพูดถึงมาในตรงนี้นะคือบุญนะเจ้าค่ ะ, ะบุญเนี่ยเป็นเป็นชื่อของความสุขพุทเจ้าบอกเป็นชื่ อ, อความสุขซึ่งความสุขตรงนี้มันจะแปลไปหมายความว่า เราต้องการเงินใช่ไหม ค, คุณต้องมีบุญนะคุณต้องการชื่อเสียงใช่ไหมคุณต้องมีบุญนะคุณต้องการลาบสการะเสียงสรรเสริญยยเอยาพวกนี้คุณต้องมีบุญกวนวก้าวหน้าในหน้าที่การงานพวกนี้คุณต้องมีบุญหมดบุญเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบในการที่จะเ ใ, ให้เราลุกดีให้การงานดีให้เงินดีอะไรต่างมันจะแปลไปตามช่องดุลส่งรใช่ไมคะเพราะนั้นคุณสร้างวัตถุดิบที่จะเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตของเราดีขึ้นหน้าที่การงานความสัมพันธ์ต่างครอบครัว เรื่องของเงินทองการลงทุนเรื่องของการแก้หาต่เราจะดีขึ้นหมดมันจะค่อยดีไปสมมุติอย่างบางคนเนี่ยคุณเดินใจเขาอาจจะไม่ไม่มีช่องให้บุญบุญของเขาออกคือเนื่องจากว่าคนอาจจะไม่ได้ไปทําธุรกิจอะไรอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครมากมันก็จะไหลไปทางลูกลูกก็จะดีขึ้นได้ก็มีในหลายๆคนเนี่ยชาบ้านพ่อเป็นชาวบ้านร้านตลาดธรรมดาแต่สร้างบุญอยู่เรื่อยสร้างบุญอยู่เรื่อย นั้ผลบุญไปออกกับลูกอืายุตัวอย่างเช่นบางทีเราเราลดน้ำต้นไม้เราลที่รากใช่ไหมเพราะทำไมผลไม่ออกที่ต้นอือย่างนี้ก็มีเพราะว่าเราสร้างบุญตรงนี้นะปรากฏว่าเ้เงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้ น, นเพราะว่าบุญเนี่ยเป็นวัตถุ ด, ดิบในการที่จะทําให้ผัสสะที่เราเจอเนี่ยดีขึ้นจุคาคือสมมติเรารับรู้ว่าเรามีเงินในกระเป๋าเยเรามีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยก็ต้องรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นจุค่ไซึ่งตรงนี้มันก็จะแปลงมาจากบุญที่เรามี บุญเป็นชื่อของความสุขความสุขนี้ก็จะไหลามาทางต่างอัจุบุญง่ายใจยค่ะนะก็คือความสมบสุขที่เกิดขึ้นจากใจข้างในของเราจริงๆนะค่ะรวมถึงเงินในกระเป๋าสําหรับคนที่มีช่องให้บุญออกท้งนั้นวรวมถึงชื่อเสียงเกียรติยศที่จะมีสําหรับคนที่มีช่องให้ออกท้งนั้นวรวมถึงการที่ครอบครัวมีความสุขนะ ลกดีขึ้นเจริญขึ้นก็ถ้ามีช่องให้ออกตรงนั้นมันก็จะไปออกได้อเจ้าค่ะรวมทั้งเรื่องของการที่เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยคือมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจดีร่างกายดีอันนี้ก็ถือเป็นบุญกุศลที่สูงนะเจ้าค่ะถ้ามันมีช่องให้ออกมันไปออกตรงนั้นได้อมเจ้าันต้องอาศัยบุญนะเจ้าค่ะดังนั้นถ้าเบื่อ ท่านผู้ฟังทางบ้านที่รับฟังรายการธรรมบรุณย์อยู่ในเช้าวันอาทิตย์นี้นะค ะ, ะได้ฟังพระอาจารย์ไพบุตรภิบุญ โ, โนพระอาจารย์ของเราจากวัดป่าดอนหายโศกได้สักการะหรือว่าพูดคุยสนทนากันในเช้าวันนี้มาเดนคิดว่าคงจะได้ให้แง่คิดอะไรแก่ท่านผูฟ้ฟังทางบ้านได้เป็นอย่างดีนะคะว่าชีวิตเรานั้นเนี่ยเวลาในชีวิตเนี่ยสัน้นดังนั้นเนี่ยเราควรจะทาความสุข ให้เกิดกับตัวเราเลยโดยการละวางทั้งหลายแหลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรารละความพยาบาทแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นรวมทั้งไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยนะเจ้าคะก็จะทําให้เราเป็นสุขอยู่ได้หนึ่งนาทีสุดท้ายนี่พระอาจารย์เมตตาฝากแง่คิดทิ้งท้ายไว้สักนิดหนึงเจ้าคะ่ะคือว่าเราจะทํากระบวนการนี้ได้เนี่ยนะเอาง่ายๆคือเราจะรักษาตัวเองเนี่ยเวลามีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยให้เธออดทน มีความรักใคร่เอ็นดูมีเมตตาจิตไม่เบียดเบียนแต่ถ้าเรามีความรักใคร่เอ็นดูมีเมตตาจิตไม่เบียดเบียนทํา4อย่างนี้แล้วเนี่ยชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยเราจะมีความรักใคร่เอ็นดูมีเมตตาจิตมีความอดทนไม่เบียดเบียนได้แต่คุณต้องมีสติแต่สตินี่อยู่ในลมหายใจนะอยู่ในลมหายใจของเราเรามีสติไปอย่างนี้แสดงว่าคุณกําหนดชีวิตตัวเราเองและเราเราถูกดึงไปลากไปด้วยมีอํานาจเหนือจิตของตัวเราเอง ผลที่จะเกิดขึ้นคือเราจะมีความอดทนมีเมตตาไม่เบียดเบียนมีมีเมื่อมีความอดทนมีเมตตาไม่เบียดเบียนแล้วคนอื่นก็สบายใจด้วยรักษาคนอื่นได้ด้วยอย่างนี้เจ้ค่ะช้าช่วยเจ้าค่ะก็เรียกว่าจุดให้ความสะอาดสว่างเกิดขึ้นจากใจของเราก็จะแผ่ไปรอบข้างเลยนะเจ้าค่ะครอบครัวดีขึ้นสังคมดีขึ้นประเทศชาติก็เป็นสุขขึ้นนะเจ้าค่ะสาชุเจ้าค่ะ ท่านผู้ฟังคะเช้ า, ชา ว, วันนี้นะคะซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์ของอกลางเดือนกุมภาพันธ์นั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันก็ได้กราบที่จะขอรับฟังความคิดเห็นและก็ค่อยแนะนำดีๆจากพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ที่เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรหลีกเล้นการปฏิบัติธรรม ตามพุทธว จ, จะนะของวัดป่าดอนหายโศกที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่ทภพโสหรือท่านพระคุณสิทธิประกรท่านเป็นเจ้าอาวาสซึ่งเป็นวัดที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เคร่งครัดกันจริงๆค่ะก็คิดว่าคงจะได้ให้แง่คิดและก็สิทธิที่เป็นมงคลแก่ท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้นะคะก็ ถึงเวลาที่จะต้องกราบอำลากันแล้วล่ะค่ะสาหรับตัวเชนเองที่จะมาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการพูดคุยสนทนากับพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุนโนนะคะดิฉันจะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในสาวอาทิตย์หน้านะคะแต่ในวันพรุ่งนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังได้รับฟังพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุนโปนโท่านได้อ่ามื่อพูดคุยสนทนาชี้แจงแสดงธรรมแล้วก็นําพุทธวจนะดีๆที่เป็นแง่คิดที่เป็นมงคลมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน ในรายการธรรมาราปรุลของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเคยคะ่ะสําหรับวันนี้เรามากราบน้ำมกาลาและกราบขอบพระคุณพระอาจาร ย, ย์ไพบุญอภิปุนโนพร้อมกันนะคะกราบขอบพระคุณและกราบน้ำมกาลาเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะเานชาห้าทเจ้าค่ะ